ท่านฟังที่ครบคะ่ะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะะในช่วงที่สองของรายการกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนในอีกวินาทีต่อไปนี้คะ่ะกลับมามหัศ ก, การกับท่านคะ่ะเจย์บอลคะ่ะสัปดาห์นี้ท่านเข้ากรุงเทพใช่มาถึงตอนบันทึกเทปหรือว่าตอนออกอากาศนี่ท่านกลับอุดรธานีแล้วนะคะกลับไปตั้งแต่วันอาทิตย์ถูกไหมคะใช่คะ่ะเพราะว่าพ่อได้มีโอกาสมาเทที่กรุสปาค่าคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ก็เลยได้มีโอกาสลงมาก็ในทางเรื่องเกี่ยวกับวินัยสงฆ์คือคือตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพระจะเดินทางไปไหนเนี่ยผู้เช่าก็จะต้องบัญญัติเรื่องว่าจริงๆแล้วในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นที่นะซึ่งในที่นี้ก็คืออยู่ที่อุดอรวันนี้มีเหตอุอยู่ทั้งหมด3ามสี่อย่างประมาณ5อย่างที่พราอนุญาตให้ไปเนี่ย ได้ไม่เกินเจ็ดวันในเหตุต่างๆก็ยังมีเช่นว่ า, าพ่อแม่ป่วยนะส่งทูตมาเชิญเราเราไปเยี่ยมได้หรือว่าเพื่อนผู้ประพฤติปรมชาญที่เข า, เาจะศึกแต่ว่าถ้าเราไปแล้วเขาจะช่วยเขาได้เราก็ไปได้อย่างนีนะ้หรือในกรณีที่ว่ามีสืสอจดหมายมานิมนต์เกี่ยวกับงานนิบงานบุญอะไรที่เขาจาเป็นต้องให้เราไปในกรณีนี้ก็คือแสดงธรรมอย่างนี้ น, นี้เราก็ไปได้แต่ว่าไม่เกินเจ็ดวันในทางวินัยพระก็สามารถไปได้ในช่วงนี้ค่ะคือหมายถึงว่าทั้งทั้งพ่อแม่ป่วยทั้งไปห้ามเพื่อนไม่ให้ศึกกับทั้งไปงานตามที่นิมนต์ไปได้ไม่เกินเจดวันอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่เกิน7จดวันใช่ภาษาพระเขาจะเรียกว่าสัตหะกรณียะ หมายถึงกรณีที่ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันไปได้เจ็ดวันอย่างเงี้ยนะอดิฉันเข้าใจว่าสัตาร์ในที่นี้คนแปว่าเจ็ดนะคะใช่สตาร์นี่แปลว่าเจ็ดค่ะช่วงนี้อากาศมีความกดอากาศแปลกๆนี้คนที่ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศกอดไม่ได้จะมีอาการแปลกๆนิดหน่อยอย่างดิฉันเนี่ยถ้าอากาศแบบนี้ปุ๊บจะมีความรู้สึกในโพรงจมูกมากจะอึดอัด แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํารายการของเรานะคะท่านผู้ฟังอที่รบค่ะดิฉันเองก็ได้ฟังประสบการณ์จากเลขาที่ไปเป็นเพื่อนวันไปหาหมอตรวจเช็ค ร, ร่างกายเขาก็เพิ่มมาเล่าให้ดิฉันฟังอบอกว่าเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้นก็มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งไปใช้ห้องน้ํานะคะแล้วก็เกิดลูกออกมาในห้องน้ําอะคะ่ะท่านค่ะโอบอกว่าได้เห็นภาพ ของเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนเขาจะคำนี้นะคะบอกไม่มีใครมีสติเลยสักคนเดียวอ oh. มันก็น่าตกใจนะคะท่านก็บอกเด็กตกลงไปนในชักโครกด้วยะค่ะโอ้หเหรอฮะคือมันเป็นก oh. รร<อ>าอะไรบางอย่างเาานาะค่ะคือมันเหมือนกับว่าอะไรนะไม่นี่ไม่แน่นะคะเนี่ยอยู่ต่อหน้าหมอแท้ๆก็ยังเกิดเหตุการณ์ให้ตื่นเต้นแล้วทุกคนก็ได้แต่ภาวนานะคะให้ ทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภยัยอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นวความเกิดเป็นทุกข์นะ้อยู่ดีนะ <laughs> อันนี้เป็นทุกข์ตั้งแต่ทันทีที่จะเกิดเลยตนทีตกใจนะคะมีมีคนเขาก็เลยพูดถึงว่ า, เ, าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยเป็นทุ่งจริงนะ เ, เขาถึงร้องไห้นะแล้วก็กำมือแน่นอะไรอย่างนะี้นะซึ่งซึ่งจริงๆเรื่องความเกิดตรงเนี้ยหลายๆคนก็ ช่วงวันเกิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับวันเกิดใช่ไหมค่ะธรรมาก็เลยมองว่าเอ๊ะแทนที่ความเกิดเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเราจะทำไงใ ห, ให้มันเป็นธรรมะไดนะ้คือเรื่องความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทเจ้ า, าพูดถึงว่าเอ๊ะจะทําให้ทุกข์เนี้ยมันคลายไปได้เลยนะก็แต่เมื่อเราเห็นเจ้าเรื่องความเกิดเนี่ยเห็นเหตุ ข, ของมันเข้าใจตัวมันว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้ถึงวิธีการดับ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แสดงว่ารเราเกิดธรรมะขึ้นในใจเราละก็เลยมีคําที่เขาอาจจะนิยมพูดกันว่าเป็นวันเกิดแล้วก็ให้เกิดมีธรรมะขึ้นในใจบ้างอย่างเงี้ยอย่าไปโมแต่โมเมาเล่นกินอย่างเงี้ยนะแต่ให้เกิดธรรมะขึ้นในใจก็จะใส่ความเกิดเนี้ยให้เห็นธรรมะได้อย่างกรณีเนี้ยที่เพื่อนคุณยมติวน ะ, ะตัวเองไม่ได้วันเกิดตัวเองด้วยนะวันเกิดของเด็กคนนั้นนะโอ้เห็นธรรมะขึ้นมากเลยว่าเออถ้าถึงเวลาที่คับขันเนี่ย เราจะทรงจิตของเราไว้อย่างไรขณะพยาบาลนะคุณผมที่อยู่เขาฝึกมาอย่างดีถูกไหมค่ะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในคลินิกเรือที่เขาทำคลอดเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากอยู่แล้วแต่มันดันไปคลอดไอ้ที่ที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยโอสติแตกกันทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้เราต้องฝึกต้องฝึกเนาะค่ ะ, ะเรียกว่าโอกาสที่เราจะเห็นความเป็นอนิจจามมันมีตลอดทุกขณะ ทุกช่วงของชีวิตมันไม่น่าเชื่อนะคะพูดถึงที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้คือดิฉันเคยได้ยินแต่ว่ารถติดติดอย่าเงี้ยอาจจะมีคนคลอดอในรถซึ่งเขาจะต้องฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเลยนะคะให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําคลอดโอ้เหรอใช่ค่ะในกรุงเทพสมัยรถติดมากๆแม้กระทั่งระยะหลังๆดิฉันก็ยังเคยได้ยินในข่าวนะคะอืว่าโอกาสแบบนี้มีเกิดขึ้นได้อืมค่ะสมัยพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังกันในเรื่องเนี้ย <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ตัวเล่าถึงมารดาของพระองค์ในโพธิสัตว์ชาตินั้นนะว่าตัวพระองค์เนี่ยคือตอนนั้นมารดาเนี่ยเดินไประหว่างหนทางไปในไปในเมืองอย่างเงี้ยแล้วปรากฏอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างร้านเนี่ยจากร้านนี้ <c oughs> ไปร้านนี้เดินไปเนี่ยปรากฏคลอดออกมาระหว่างร้านเลยตั้งชื่อว่าเวสสันดร <c oughs> คือนั่นคือชาติในพระเวสสันดร ที่แปลว่าผู้เกิดระหว่างชาวร้านปรีพอถึงเหตุการณ์เกิดในแท็กซี่อย่างเงี้ยก็จาไม่อาจมานึกถึงเหตุการณ์นี้ที่พุทเจ้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์เป็นเวสันดร น, นะจริงชื่อเขาว่า เ, เวสันดอนเวสันดอเนี่ยแปล ว, ว่าเกิดระหว่างชาวร้านคือเกิดระหว่างทางกันเถอะยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลยังไม่ทันถึงที่ไหนหรือหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราอะ่ะก็เกิดระหว่างทางระหว่างเมือง เออเทวราหะที่เป็นเมืองของพระมันดาใช่ไหมกับเมืองกมิลพัทซึ่งเป็นเมืองของพระบิดาในเกิดระหว่างเมืองสองเมืองนี้ตรงนั้นป่านั้นก็เรียกว่าป่าลุมพินีวันค่ะอืมก็ระหว่างชาวร้านเหมือนกันระหว่างทางค่ะก็แปล ว, ว่ากรณีการเกิดซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดบ่อยเหมือนกับการตายที่ถ้าเป็นการตายจะได้ยินพูดบ่อยๆน ะ, ะไม่แน่นะ จะตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เกิดนี่คนจะพูดถึงน้อยอย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเกิดที่บ้านที่มีหมอตำยรหรือว่ามีสูตินรีแพทย์ทําการคลอดให้เป็นที่เป็นทางเสมอไปก็เป็นเกิดที่ไหนก็ได้อีกเหมือนกันจริงๆทุกวันนี้อัตราการเกิดนี่มันมากกว่าอัตราการตายเนาะจะมาปรชากรมันถึงเพิ่มได้ทุกวันทุกวัน เขจึงบอกว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอืมเพราะว่าเกิดเกิดง่ายนะคะสถิติของการที่เด็กท้องก่อนแต่งนั้นเยอะอืขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตายในยตายยากสถิติของคนที่จะมีอายุปัจจุบันนี้ก็ยาวนานกว่า ใ, ในยุค ก, ก่อนนะคะทีนี้มันก็เลยมีผลมาถึงอผู้บริหารบ้านเมืองทั้งหลาย จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะอีกหน่อยเนี่ยคนพอายุมากๆไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเจ็บแค่ได้ป่วยอีกต่างหากพึ่งตนเองได้น้อยถึงพึ่งไม่ได้อืก็จะเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดแล้วคะ่ะว่าในกรณีที่ไม่มีครอบครัวดูแลท่านทั้งหลายเหล่านี้รัฐจะดูแลเขาอย่างไรในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับช่วงสัปดาห์นี้พอดีนะที่ว่าเป็นเดือนกเกษียณ น, นะนะคุณโยมติวเนาะค่ะช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่หลายๆท่าน ใน ร, บระบราชการหรือว่าเอกชนบ า, บางแห่งเหมือนกันที่จะเกษียณในช่วงของเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาพวกนี้เนาะเ<ะ>ดือนกันยาเนี่พอเกษียณเนี่ยหมายถึงว่าคุณเข้าสู่ปฐมมิปะจิมวัยแล้วนะวัยสุดท้ายแล้วนะที่พระเจ้าแบ่งวัยออกเป็นสามส่วนใช่ไหมไวัยต้น<ะ>วัยกลางวัยปลายวัยต้นนี่ก็เรียกว่าปฐมวัยวัยกลางเรียกว่ามะิมะวัยวัยปลายก็เรียกปัจิมะวัย ทีนี้พอคุณเริ่มเข้าเลขหกสิบเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ปัจจิมวัยแล้วใบสุดท้ายละเขาก็โลออกแล้วมันทุกอย่าง<ด>ก็เสิฉันเขยาในดิฉันเข้าใจว่าเข า, เาก็มีเหตุผลของเขานะคะเพราะาเพิ่งมาได้ยินว่าพูดที่เป็นผู้ภาษาซึ่งมีช่วงหนึ่งขาดแคล น, นก็จะมีการต่อยอายุกา ร, กรเกษียณ อ, อีกสิบปีใช่คะทีนี้เมื่อวานนั่งคุยกับเพื่อนๆได้ยินข่าวว่ามีบางคน เขอยากยกเลิกกฎระเบียบนี้อืมคือเหมือนกับว่าพอทําไปนานๆเจ้าตัวอาจจะขี้เกียจทำด้ซ้ํา ม, มันเหนื่อยกว่าป ก, กติชอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทีเนี้ยมันยากแล้วเพราะมันไปเป็นกฎระเบียบที่เป็นกฎหมายซะแล้วอืก็ต้องรอให้ถึงเวลาปรับเปลี่ยนก็คือในทางค้าคือหมายความว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยอภาระต่างๆมันมากขึ้นใช่ไหมอย่างตอนที่เราเกิดมาจากช่วงปฐมวัยอย่างเงี้ยอายุสามสิบละ ยีกว่ากว่าสาคุณเริ่มทำงานคุณเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยกลางเนี่ยเราอายุ 40-50 เนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ร่างกายมันอ่อนลงฮน ะ, ะอายุมากขึ้นมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นแต่ร่างกายมันอ่อนลงอ่อนลงนี้มันก็เลยไปไม่ไหวจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ า, อาพอเลิกนะซึ่งนะแต่และตรงนี้บางคนอาจจะอายุได้ไม่เท่ากันนะโดยที่เขาทั่วไปเขากำหนดที่60บางคน70ยังมีเรี่ยวแรงทํางานอยู่ หมอบางคน90ยังตรวจโรคอยู่ก็มีอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะนะคือพูดถึงนในกรณีถ้าเป็นปัจเจกก็แล้วแต่บุคคลได้แต่ถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่ า, าะอะไรคะที่ทํางานทําการมันต้องมีระบบสําหรับคนจํานวนมากอืมก็<ๆ>อาจจะต้องทํามาตรฐานสําหรับคนโดยรวมทีนี้ดิฉันเนี่ยคิดเอาเองนะคะแล้วว่างๆก็ว่าน่าจะลองสืคบค้นดูว่าเหมือนกันว่าอายุ60ที่เขาวางเกณฑ์สําหรับ สากลต้องบอกสากล น, นะคะอือเพื่อการเกษียณยมันน่าจะมีนัยยะสําคัญอะไรอยู่ในนั้นเช่นอไม่มีความคล่องตัวแล้วหรือว่าอยู่ในวัยที่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายแล้วอลูกเต้าเรียนจบหมดแล้วเลี้ยงดูได้สมมุติอย่างเงี้ยนะคะบแล้วก็อถ้าไม่พักพรให้เพียงพออาจจะทําให้ร่างกายไม่ดีอะไรอย่เงี้ยก็ว่ากันไปแต่เรียนอยากจะกลับเรียนถามท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ช ง, งักไว้ก็คือ ในสมัยพุทธกาลค่ะพระพุทธองค์เคยตรัสถึงการเกษียณของพระภิกษุที่ต้องทำหน้าที่ในการเผยแพ่คำสอนต่างๆไหมคะเอาสมัยนี้ก่อนนะสมัยนี้คุณโยมติวว่าพระมีเกษียณไหมไม่เห็นมีนะคะไม่มีนะอายุหกสิบเจ็ดสิบก็เอาตำแหน่งมาให้เจ้าคุณเจ้าคณะตำบลอำเภอรเราเห็นกันเยอะแยะเจ็ดิยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ต้องมาเซ็นเอกสารไปประชุมแรงต่างๆเจ็บดสิบนั่นน่ะ านะมาดยรสสมาคมก็โอ้โหแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยอายุมากทั้งนั้นเกินหกสิบเปียย ะ, ยะใช่ไหมคือพระนี่ไม่มีกเกษียณในในที่เขาปกครองกันสมัยปัจจุบันนะแต่ถ้าเราดูสมัยปัจจุบันก็บอก่อนนะในจริงจงการเกษียณ ข, ของพระตั้งแต่ตอนที่เหมือนก็ตั้งแต่ตอนที่บวชอนะ่ะคือตอนเข้าบวชออกมาปุ๊บคุณแบกจีวอแบกบาดเข้าไปถือเข้าไปพอตอนออกมาคุณห่มออกมาเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับคารวาส ท, ที่เขา เกษียณตอนอายุ60นะคือคือตอนที่ตื่นเช้ามาปุ๊บวันนี้ฉันไม่ต้องไปทํางานไม่มีใครโทรมาตามไม่ต้องรายงานาก่อใครหน้าที่ไม่ชอบทุกอย่างวางหมดเหมือนกับพระตอนที่ออกมาจากโบสถ์นะคุณยมติว๋วไม่ต้องทํางานไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องตอบคาถามใครเป็นโอกาสว่างละ่ะเป็นโอกาสว่างในการที่จะทํากิจอะไรต่างที่เราควรจะต้องทำนะในการที่จะหลุดพ้นเนี่ยนะทีนี้พอมาเปรียบเทียบดูกับพระสงฆ์จริงๆแล้วกา ร, กรเกษียณเนี่ย คือเกษียณจากกิจการงานออกจากบ้านจากเรือนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวใครตั้งแต่วันบวชเลยนะที่เหลือทั้งหมดนั่นแหะชีวิตของคุณอุทิศให้กับการที่จะทําเพื่อความหลุดพลล้นล่ะทําอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารงานเรายกไปก่อนเลยนะเอาเรื่องของธรรมะว่าเอาพระสงฆ์เนี่ยเกษียณงานต่างๆลดลงตั้งแต่วันบวชแล้วนะ บ, บวชมาเป็นพระใหม่เลยเนี่ยพรรษาแรกเนี่ยคุณเกษียณแล้วสบายแล้วจากบ้านจากเรือนละ่ะทีนี้งานปัจจุบันมันก็มี เยอะแยะ น, นะสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีแบ่งการเปนการปกครองอะไรต่างๆนะซึ่งก็ทําไปตามลํบบาดับอวสุประชุมกันนึงนิด เ, เริ่มทํางานพร้อมกันหยุดพร้อมกันก็จะทําให้หมู่คนณะ น, นี่สามไม่ขี่กันไปได้ทีนี้เาที่คุณโยมติ๋วตามในเรื่องของสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยน ะ, ะถ้ามาดูดูแล้วเนี่ยาการบริหารงานจริงๆพุรุษชาก็ใช้ระบบ ข, ของอาจารย์ ใช้ระบบของที่เป็นสำ น, สำนักสำนักซึ่งปัจจุบันก็เป็นลักษณะของวัดอย่างเงี้ย น, นะ แ, แล้วก็ถ้าจะอยู่กันได้สามัคคีกันได้เนี่ยคือเน้นที่ความสามัคคีเน้นที่ความอยู่กันได้นี่ยไม่ได้เน้นที่ว่าต้องอายุเท่าไหร่แต่เพราะฉนั้นบางคนเนี่ยความสามารถก็ยังมีอยู่อายุมากแล้วเนี่ยก็ยังทําได้อย่างตำแหน่งข้าราารบกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยกเลิกเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่มีแล้วก็คือใช้ธรรมะในการบริหารจัดการเลย นะอายุนี่ก็ตามภรษาแค่นั้นเองคือเี่คิดตามโลกของความเป็นจริงถ้าโลกของคนทำงานถ้ากํากำหนดให้หกสิเกษียณก็คือหกสิต้องกเกษียณแหละทีนี้จะปรับตัวอย่างไรเพราะว่าลมหายใจนี่มันไม่กเกษียณไหมคะ <c oughs> มันอยู่กับเราจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมครับบางคนก็เลยบอกว่าอุ้ยยังทำงานได้ก็อยากทำงานอ่ะถ้าไปทำได้ก็ไป <c oughs> แต่ถ้ามันต้องโอ้โหเป็นการดิ้นรนขนไคแล้วก็ทาให้ เกิดความลำบากลําบนถ้าดิฉันจะพูดว่าก็ไม่ควรจะไปอันนี้จะเป็นธรรมะอะไรไหมคะท่านคะก็แตาไม่เห็นถึงความที่ร่างกายเราสิ่มถอยไม่เที่ยงนะค่ะอืมเพราะว่าเอ่อบางคนเนี่ยถ้าทําทําได้ก็ดีหมายถึงว่าเราต้องหาอะไรทําถึงแม้ว่าจ ะ, กะเกษียณแล้วจริงๆแต่ว่าร่างกายนี้อ่อนแรงและเราก็ต้องหาอะไรทำทํานี่หมายถึงว่าเราจะทํายังไงให้จีของเรามีความไม่ประมาททำยั ง, งไงให้ไม่ประมาท เพราะฉะน้นถาเราจะอาศัยการทํางานตามโลกตามแรงต่างก็ทําได้แตเราไม่ประมาทในงานที่เราทำต่างคารวะก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็มาฝึกจิตของเราให้มีกําลังมากขึ้นเพื่อให้ประมาทในตรงนี้นมากขึ้น น, นะนะค่ะฟ้าค่อนข้างแรง <laughs> ดิฉันก็เลยได้เวลาดูนาฬิกาเหมือนกันว่าอา้าวก็สงสัยจะต้องนวันสการของพระคุณท่านก่อนก็ ว, ว่าเวลาทําท่าจะหมดเอาเป็นว่ากราบใดที่ลมหายใจเรายัางอยู่ เรากเกษียงไม่ได้จากการที่จะมีสติอย่างนั้นไหมคะถูกต้องจะต้องคอยระวังรักษาจิตอยู่ตลอดเวลานะคะเราสรุปอย่างนี้ดีกว่ากนวัตสการของก็คุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเสียบาลท่านผังที่พบครับวันนี้ก็คุยกันเบาๆสบายๆกัแล้วกันนะค ะ, ะส่วนท่านที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทอดกรถิ่นถวายผ้าให้กับพระภิกษุหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะคะที่วัดป่าดอนไฮโศดรนธานี ท่านก็สามารถจะติดต่อได้ที่หมายเลข022690006ที่ฉันได้ฝากรายละเอียดไว้กับที่นี่เช่นเดียวกับที่ท่านจะมาขอหนังสือที่นี่ก็ได้หรือจะถามรายละเอียดการทอดกระถิ่นของวัดนาปะพงวัดนาปะพงที่จะทอดในที่สี่นะคะของประมาชะชาควโรนะคะีค่ะส่วนวัดป่าดอนไหส่งจะทอดที่สิบเอก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วล่ะค่ะเรามาติดตามรับฟังในการสัมม น, นาสนทนากันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธ ว, วัสดีค่ะ